อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากัชชาในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่สิบสามธันวาคมปีสกาศ์้ารห้าสิบเจ็ดค่ะเป็นวันแรมเจ็ดข้าเดือนหนึ่งปีมะเมียนะคะก็พบกันในเช้า ว, วันเสาร์วันอาทิตย์นั้น ดิฉันก็จะนําท่านผูฟ้ฟังมากราบนำ้ำรสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของผู้มนการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหรีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดของทางวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคูหลงพ่อดออรสะอาดที่ตัวโซหรือท่านพระคูสิทธิปพากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรอยู่ค่ะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโ น, โนกันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็มีปัญหาของท่านที่ชื่อคุณนัทพิษทัศนะเจริญกิจเจ้าค่ะคุณนัทพิษมีปัญหาเขียนถามมาดังนี้ซึ่งยมยิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์มากมเลยสําหรับท่านฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งเริ่มปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ ะ, ะถ้าจะท้าความก็คือคุณนัทพิษเนี่ยเคยไปไปฏิบัติธรรมหมาถึงว่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหาโศกมาแล้วล่ะามาครั้งแรกก็ พอกลับไปก็รู้สึกอาการดีขึ้นเพราะปกติเนี่ยเป็นคนใจร้อนมากๆากนะเจ้าคะอพอปฏิบัติธรรมครั้งนั้นเนี่ยพอกลับไปใช้ชีวิตในปกติก็มีอาการดีขึ้นตามลําดับก็คือโกรธโมโหน้อยลงแต่ที่แปลกใจและเขียนถามมาครั้งนี้ก็คือว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี57นี่แหละสดๆร้อนๆเนี่ยนะเจ้าคะเดือนที่แล้วนี่เองเนี่ยอพอกลับไปบ้านไปทํางานเนี่ย ทำไมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโกรธง่ายขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็แรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยคราวนี้ก็เลยก็เดาเอาว่าเหมือนกับว่าความโกรธที่มีอยู่แล้วก็แรงมากขึ้นนี่อาจจะเป็นเพราะว่า โดนเก็บกดเอาไว้จากความเข้มข้นของคอสปฏิบัติธรรมที่วัดนะเ จ, จ้จาคะเจ้าคะนะเจ้าคะพอกลับไปบ้านก็เลยไปถึงที่ทํางานก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีบา ร, รมีของครูบาอาจารย์คอยขนาบอยู่เหมือนตอนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะเจ้าคะ ม, มันก็เลยตอบสนองออกมาแรงมากๆคุณนัตพิจัยคําว่าโยโย่เอฟเฟกก็คือว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมแหละเหมือนคนทานยาลดความอ้วนนะเจ้าคะพอเลิกทานนี้แบบอ้วนขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เขาเรียกโยโย่ ฟกนะเจ้าค่ะซึ่งยิ่งเมื่อได้รับผัสสะที่ไม่พอใจเข้ามาเนี่ยก็มากขึ้นกว่าเดิมคือ อ, อารมณ์แรงโกรธมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งที่บ้านเนี่ยทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวถามว่าอ้าวทำไมไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้กลับมาถึงดูใจร้อนกว่าเดิม อ, ะอ่ะ นะเจ้าคะจนบางครั้งเนี่ยคุณนัฐพิษรู้สึกว่าเหมือนกับมันมียักษ์ตัวใหญ่มากเลยอยู่ในตัวของตัวเอง<ม>ก็เลยกราบยนถามมานะเจ้าคะอันนี้โยมอ่านคำถามของคุณนัฐพิษไปนี่ก็แปลกใจมากๆเลย <laughs> เพราะโยมก็ไปลูกเส์วัดป่าด อ, อสายโศกนะเจ้าคะแล้วก็เข้าปฏิบัติธรรม หลักสูตรเข้มข้นที่พระอาจารย์ขนาบอยู่เนี่ยเจคะแต่มีความรู้สึ ก, กเราเย็นลงเราเข้าใจโลกมากขึ้นเราไม่โมโหเราไม่ไปคิดนูน่นคิดนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเข้าใจชีวิตมากขึ้นอันนี้แปลกใจมากเลยก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้สากฉาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆอ่าซึ่งตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันเสาร์นี้ได้ได้รับทราบรายละเอียดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือคนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะคุณเฉลถ้าถ้าเขามีการระบบการปฏบัต ที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้อยู่ในมัคแปดเรื่องศีลสมาธิปัญญาตั้งสติเอาไว้ลักษณะนี้จิตของคนที่ที่ฝึกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฝึกในตามระบบแล้วใ้เรื่องของความที่เราจ ะ, ะมีรู้จักการสังเกตสังกาในจิตของตัวเองก็จะมีมากขึ้นเพราะเราตั้งสติเอาไว้ได้นะซึ่งตรงนี้คุณนัฐพิก็เขียนมาอธิบายไว้ว่ายืนยันตามนั้นว่าจิตใจเรามี ความเย็นลงในในตอนแรกๆที่มาอยู่ที่วัดจากที่แบบเคยเป็นคนที่เร่าร้อนรุมร้อนมาอยู่ที่วัดในช่วง7วันสิวันนั้นก็มีการโมโหลดลงเย็นลงแต่พอกลับไปบ้านมันกลับมีความโกรธมากกว่าตอนก่อนที่จะมาวัดคือในช่วงที่อยู่ที่วัดความโกรธลดลงลดลงไปตามลาดับแต่พอออกจากวัดไปนความโกรธกลับเพิ่มขึ้นมามากกว่าตอนที่วันมาอีกด้วยซ้ํำมากกว่าตอนที่มันมาถึงวัดเพราะฉะนั้นอันนี้มันคืออะไร เราทําความเข้าใจในตามระบบถึงว่าพอเรามีสติมากขึ้นใ น, นสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ในะความระลึกได้สิ่งที่เราไปปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่นะเขาก็จะให้เราฝึกสติไม่ว่าจะรูปแบบใดๆความระลึกได้ตรงนี้หมายถึงว่าเราก็จะจะรู้จักสังเกตในจิตของเราแต่มันเป็นมันมีได้2ทางคุญแจใจคนที่กลับไปแล้วจิตมากขึ้นเดือดมากขึ้นเนี่ยทางแรกนะอาจจะเป็นเพราะว่าข้อที่1คุณมาถึงวัดแล้วนะคุณได้ความสงบความสุขในใจ หลัจากการปฏิบัตินลัใจเย็นลงใจดีมากขึ้นหลังพอใจเย็นลงใจสงบลงแล้วเนี่ยถ้าเรามีความยินดีในความสงบนั้นมีความยึดติดในความสุขใจที่เกิดขึ้นตรงนั้นความยึดติดเนี่ยจะทําให้เราสร้างสภาวะสภาวะหนึ่งขึ้นมานะว่าฉันต้องมีสภาวะนี้นะพอเรากลับไปบ้านเราไม่ได้พอไม่ได้มันเลยจี๊ดหนักขึ้นมาอืมคุณคะอันนี้คือลักษณะ<ๆ>อย่างที่คุณนัทภิธอธิบายว่าโยโย่เอฟเฟกตนโยโย่เอฟเฟก ซึ <mile> ่งมันเป็นผลของความที่เรามีความยึดติดแม้ในความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นนถ้าเรามีความยึดถืออย่างที่เราได้เคยพูดกันไปในสดาห์ก่อนในคุณตนใจที่ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นมันก็ยึดติดได้ยึดติดได้เพราะอะไรเพราะเรายินดีในความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคุณยินดีในความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดขึ้นนั้นพวะเมื่อไหร่คุณเผลอสติแล้วตรงนั้นตันนั่นเองเพราะตันแล้วถ้าเราไม่ได้แบบที่วัดอะ แห่ทำไมฉันกลับมาบ้านแล้วคนนี้ก็พูดอย่างงั้นคนนี้ก็พูดอย่างนี้ว่ามันไม่เห็นมือนอยู่ที่วันเลยเดีนะ๋ยวพอมีจังหวะช่องให้มันบึ้มปุ๊บ ม, มันก็บึมเลยเดีบึมเลยอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งนะที่ว่าเกิดขึ้นจากการที่เรายึดถือในความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้คือกรณีที่หนึ่งหรือนะกรณีที่สองเนะตอนที่คุณมาเนี่ยคุณลักษณะว่าเก็บกดนะแทนที่ว่าจะอดทนแตนะ่ซึ่งความเก็บกดกับความอดทนนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง คนที่รู้จักในการที่จะอดทนนะจิตใจของเขาจะไม่ได้เก็บสิ่งที่เป็นอกุศลและทำเอาไว้แนตะ่แต่คนที่เก็บกดเนี่ยคือคุณก็เก็บอกุศลและทำเอาไว้แนะคนนี้เขาว่าอย่างนี้ทําไมฉันพูดไม่ได้ทําไมฉันต้องกินนั่นนี้ฉันไม่อยากอยู่อย่างงี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นะเก็บความขัดเคืองเอาไวนะ้เพราะถึงเวลามันก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาได้นั่นจะเป็นลักษณะแห่งการเก็บกดแต่ <Okay. S 1> คนที่รู้จักอดทนนะพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าภิกษุในธํามะวันนเนี่ยผู้ที่ฝึกปฏิบัตินี่แหละ จะต้องเป็นผู้ที่รู้อดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อคำดา่าคำว่าลักษณะการอดทนกับลักษณะการเก็บกดมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคนตัใจว่าคนที่อดทนเนี่ยเขาจะอดทนไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นคนที่เก็บกดนั้นคือจะเก็บอกุศลธรรมอาไว้มันต่างกันนะ<ม>เพราะว่าคนที่อดทนเนี่ยเวลาที่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเขาจะต้องรีบละอกุศลธรรม กิเลสที่ละได้ด้วยการละก็มีอยู่กิเลสที่ละได้ด้วยการอดทนก็มีอยู่นะซึ่งถ้ามันมีกิเลสขึ้นมาแล้วเป็นความคิดในทางกามเป็นความคิดในทางพยาบาทเป็นความคิดในทางเบียดเบียนเนี่ยเราต้องรีบละมันเสียตรงนี้อยากเก็บเอาไว้นะอยากเก็บเอาไว้ซึ่งถ้าเราเก็บไอ้ตรงนี้เอาไว้เขาไม่เรียกว่าอดทนเขาเรียกว่าเก็บกดแต่การอดทนนั้นคืออดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจพอมีภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเราจําเป็นต้องอยู่เราก็อดทนได้ ซึ่งมันจะเป็นคนละแบบกันนะเราจะอดทนได้คุณก็จะต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้ได้ถ้าถ้ามีคุณต้องอดทนอยู่ในภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเราละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นการอดทนต ร, ต, รตรงนั้นถึงจะเรียกว่าอดทนแต่ถ้าเราไม่ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นการอดทนตรงนั้นกลับกลายเป็นการเก็บกดเพราะฉะนั้นตอนที่มาเนี่ยปฏิบัติแบบไหนนะถ้าไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันยังเก็บไว้อยู่ สิ่งผู้รำก็จะระเบิดแต่ถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้รับการละออกด้วยการที่เราตั้งสติเอาไว้นั้นละออกออกไปอันนี้ก็จะเป็นการอดทนที่ถูกต้อง น, อ น, นี่คือลักษณะที่2องเจ้าค่ะเซนการอดทนหรือว่าการเก็บกดนั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องอยู่ที่วัดก็ได้แตในขณะที่คุณอยู่ที่บ้านถ้าบอกว่าเราอดทนถูกเราก็สามารถที่จะเ อ, อผ่า น, ผ, านผ่านมันไปเราไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้ามันเกิดมาเราต้องรีบละเกิดมาเราต้องรีบละออกทันทีอยากเก็บเอาไว้ เนี่ยถถูกแต่มันก็จะไม่มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ตรงนี้อืมเจ้าค่ะเหมือนกับเขาเก็บไอสิ่งที่อารมณ์ร้อนแรงอะไรของเขาไว้นะเจ้าค่ะถึงได้บอกว่าเออแบบเป็นโยโย่เอฟเฟกก็คือว่ามันโดนแบบปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดออกมาอ่าก็เลยระเบิดออกมาอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เป็นข่มของคอสอยเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เจ้าค่ะทีนี้อาจจะอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ได้อันนี้คือเราตั้งสมมติฐานเอานะคุณเินใจ แตนะ <Okay. S 1> ว่าในข้อที่3ก็อาจจะเป็นข้อที่3ก็ได้เพราะว่าคือถ้าเราปฏิบัติมาถูกต่างนะเราก็ไม่ได้ยึดติดในความสุขที่เกิดขึ้นนะมันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นอยู่ไม่เที่ยงเห็นอยู่ว่าเราไม่ยินดีในสิ่งนั้นแตนะ่เกิดขึ้นก็ดับไปนะเราก็เพราะอะไรเพราะการที่เรามีสติตัต้งเอาไวนะ้อันนี้ก็แสดงว่าปฏิบัติมาถูกแล้วก็ถ้ามีอคติโธรรมเกิดขึ้นฉันก็ละแล้วนะฉันก็ละละฉันก็ไม่ได้เอามาเก็บไว้ในใจนะเราก็ทําไปแต่เราก็ละได้ นะบางทีเราอาจจะเห็นความโกรธที่เกิดมีมาก็ได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโดยทั่วิ่งคนที่ค่อนข้างจะมีราคาโทสะโมหะกล้านะคนที่มีราคาโทสะโมหะกล้าเนี่ยหมายความว่าเจออะไรผาสักอะไรนิดนหน่อยก็มันก็จะจีดขึ้นจีดลงอยู่เรื่อยนะจีดขึ้นก็อยากก็แบบเต็มที่เลยนะลุ่มหลงดุยๆุต้องได้ต้องได้นะถ้าโกรธนี่ก็แบบบึ้มออกเลยนะนี่คือ ลักษณะคนที่มีราคะโธสะโมหะกล้าและไอ้<า>ตอนที่เขาระเบิดตุ้มออกมาหรือว่าเขาดุยดุพุ่ ง, ม, งมุ่งหน้าทําโดยที่ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่แบบไม่ได้ไตรตรองให้รอบคอบลักษณะเนี้ยเป็นเพราะว่าเขาขาดสติถูกไหมเพราะขาดสติแล้วเนี่ยมันก็มุ่งหน้าทําเต็มที่หรือว่ามึนๆตุ้มๆระเบิดออกมาแตนะซึ่งถ้าคนที่เป็นลักษณะนี้บางทีตัวเองโกรธเนี่ยไม่รู้ตัวได้วยซ้ำคิดว่าคนอื่นผิดแตนะ่คนอื่นนะผิดฉันไม่ผิด ฉันทำอย่างนี้แก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่พอเขามา ป, ามาปฏิบัติธรรมเขาตั้งสติได้มากขึ้นใช่ไหมพอตั้งสติได้มากขึ้นเนี่ยจากสมมติว่าเดือนเดือนหนึ่งในเดือนหนึ่งสมมติเดือนหนึ่งนะคุณอาจจะโกรธสัก10ครั้งใน10ครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้ตัวแค่2ครั้งตอนปกติตั้งแต่ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมก่อนที่จะมาฝึกสตินะฉันโกรธ จ, จริงๆ10ครั้งแต่ฉันรู้ตัวของฉันเองว่าฉันโกรธแล้วฉันทําไม่ดีฉันควรจะต้องแก้ไขตัวเองแค่2ครั้งในอีกแปครั้งไม่รรรูู้้สึกตัวัววไม่่านผิด นะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะนี่คือ <Okay. S 1> ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหเพราะว่าตัวเองนี่โกรธตั้ง8ครั้งเนี่ยจาก10ครั้งที่ตัวเองโกรธนะจาก10ครั้งที่ตัวเองโกรธมารู้ตัวว่าตัวเองโกรธเพิ่มขึ้นเป็น8ครั้งจากก่อนหน้านี้ที่รู้ตัวว่าแค่2ครั้งจากที่โกรธ10ครั้งจํานวนความโกรธเนี่ยเท่าเดิมตั้งแต่ก่อนมาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ลังออกจากไปปฏิบัติธรรมก็มีจำนวนความโกรธเท่าเดิมอันนี้สมมตินะ แต่ว่ารู้ตัวมากขึ้นถูกต้องทำไมถึงรู้ตัวมากขึ้นเพราะว่ามีสติระลึกได้ก่อนหน้าที่มานะไม่มีสติระลึกไม่ได้นี่รู้ได้แค่2ครั้งนะแต่พอออกไปแล้วฝึกสติมาเฮ้ยสติมีกําลังมากขึ้นเอารู้ตัวว่าตัวเองโกรธขึ้นตั้ง8ครั้งเอาทําไมฉันโกรธ8ครั้งเนี่ยจากที่ฉันโกรธ2ครั้งแต่จริงๆตัวเองโกรธ10ครั้งนะเจากตัองจริงๆตัวเองโกรธ10ครั้งรู้ตัวแค่2ครั้งพอฝึกสติมากขึ้นก็รู้ตัวว่าตัวเองโกรธตั้ง8ครั้ง น, นี้ยังละไม่ได้ยังสิ้นเลยนะยังละไม่ได้แต่รู้ตัวว่ามันมีบึ้มขึ้นมาเนี่ะรู้ตัวแค่สองครั้งกับการรู้ตัวที่แปดครั้งหลังจากที่ปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อืมทีนี้จะละได้หรือละไม่ได้มันก็ต้องมีปัญญาด้วยแต่ก็ต้องมีปัญญาพ่วงเข้าไปเพราะว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องที่ทําให้เรารู้ตัวทําให้เราระลึกได้พอเรารู้ตัวเราระลึกได้แล้วเราก็จะต้องมีปัญญาแหละว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ มีหัวใจปรุงแตงไม่ใช่ของเราเราก็จะค่อยๆละมันได้อืมา่ <นะ S 2> ซึ่ ง, งอาจารมากิดว่าอาจจะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้ในสามอย่างนี้อันนี้เป็นสมมติฐานที่ที่เราตั้งขึ้นจากข้อมูลที่เขาให้มาอืมเจ้าค่ะทีนี้ในความคิดเห็นของโยมนะเจ้าค่ะคุณนัทพิษเนี่ยอ่าบอกว่าแต่มาคราวนี้คุณนัทพิษคาดดาว่าเหมือนกับว่าความกโกรธเนี่ยมันโดนเก็บกดเอาไว้จากความเข้มพุ่งของค อ, อ, อ, อสปฏิบัติธรรมที่วัดพ อ, อกลับมาที่บ้านหรือที่ทํางานเนี่ย ก็เลยตอบสนองออกมาอย่างแรงมากเลยหลังจากที่ไม่มีบารมีของคุณบาอาจารย์ขนาดอยู่นะเจ้าค่ะโยมมีความรู้สึกเหมือนคุณนัทพิษเนี่ยมีความโกรธอยู่ในตัวอยู่แต่พอมาอยู่ที่วัดนี่ไม่ได้แสดงความโกรธแล้วก็พอกลับไปบ้านก็เลยโกรธมากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้มันมันน่าจะมันน่าจะปฏิบัติอะไรผิดสักอย่างไหมเจ้าค่ะหรือว่าทำจิตผิดไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันมันเป็นได้ทั้งสองทางเลยคุณเดินใจเพราะว่าคนที่ยังมีราคะมีโทสะโมหะเนี่ยมันมีมันมียักซ่อนอยู่ในตัวทั้งส เป็นยักษ์ขมูขีที่แบบเห็นแต่กิกินเอาแต่กินหรือเป็นยักษ์ขมูขี่ที่แบบเอาแต่โกรธนะมันคือราคะเป็นโทสะนั่นเองแต่ถ้าเรายินร้ายในสิ่งใดยิ่งมากนียักษ์นะ s <S ี้มันก็ตอบสนองรุนแรงถ้าเรายินดีในสิ่งใดที่มากไอ้ยักษ์ที่กินเนี่ยมันก็กินรุนแรงนะมันก็เป็นยักษ์อยู่ในตัวะนะมีแน่นอนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผีที่อยู่ในใจของเราเป็นปีศาจที่อยู่ในใจของเราซึ่งมันแฝงตัวมาเนีนเนียนเหมือนตัวเราเป๊ะนะถ้าถามว่าไอ้ตัวเนี้ย บางทีมันก็ออกมาในรูปแบบต่างๆเราจะไม่เห็นมันหล่ะเพราะว่ามันมันถูกม่านคืออวิชชาบังเอาไว้เจุกค่ะแต่จนกระทั่งเรามีปัญญามากขึ้นค่อยมีสติสังเกตขึ้นเอ้าเจ้าใจไม่จิตใจฉันเป็นอย่างนี้ล่ะตรงนี้มันมันไม่ถูกหน้าเราจะต้องลอกมันออกลามมันออกแต่ตอนแรกดูมันเย็นๆเหมือนตัวเราแต่พอเรารู้ได้ว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในตัวเราอันนี้แสดงว่าเริ่มฉลาดมากขึ้นก่อนหน้าเนี้ยไม่เห็นด้วยซ้ำมันบ้มไปแล้ว แต่ตอนนี้เริ่มเห็นนะเริ่มเห็นเริ่มเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเราเพราะมันโผนะล่มาแวบววบๆ๊บนะเราก็อาจจะยังรับไม่ได้แต่มันมีการก้าวหน้านะตรงนี้ามาว่าเห็นว่าเป็นว ค, ความก้าวหน้าในกรณีที่ว่า เ, เรารู้ตัวว่าเรามียักษ์อยู่ข้างในเราจะกําจัดมันออกไปได้ยังไงแล้วนกะ็ทําตามกระบวนการอย่างที่ทํามาคือมันค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคุณต่ใจะนะซึ่งซึ่งในสามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเนี่ยสองสมมติฐานแรกนี่คือไม่ดีนะ คืไม่ดีหนึ่งคือถ้าบอกว่าเรายินดีในความสุขที่เกิดขึ้น2ยินร้ายในความสุขที่มันไม่มีแตนะ่ถ้าเรามีความยินดียินร้ายอ้างแสดงว่าอันนี้ไม่ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกมันตันละมันตนันหรือถ้าในกรณีที่2องนะคือละกิเลสไม่ถูกนะไปเก็บกฎแทนที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะเราก็คิดว่าการที่เราเก็บอกุศลธรรมไว้นั่นคือการอดทนแต่ไม่ใช่นะ น, นี้ก็ชื่อว่ายังไม่ถูกเต็มที่ร้อยเเซ็แสดงว่าเลือกใช้เทคนิคไม่ถูก ซึ่งเทคนิคในการละกิเลสมันมี6อย่างนะคุณินใจอันแรกคืออันแรกคือด้วยการสํารวมกา ร, ร C, คือการสํารวมบินทรีใช่ไหมอันที่สองคือการละกิเลสได้ด้วยการอดทนนันก็คือว่าอดทนต่อความหนาวความร้อนคือบางทีเราจําเป็นต้องอยู่ในที่ที่เราไม่น่าพอใจเราก็ต้องอดทนไม่ให้ใหอากุสะธรรมมันเกิดขึ้นมาได้หรือ ถ, ถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วเราจำเป็นต้องใช้เราก็ต้องข้อที่สามก็คือต้องเสพนพิจารณาแล้วจึงเสพ กิเลสที่ละได้ด้วยการเสพก็มีนี่คือข้อที่สามแต่แล้วก็ข้อที่สี่ใที่ต้องใช้คู่กับการอดท น, นต้องพิจารณาดูให้ดีว่ามันมันต่างกันหรือเหมือนกันยังไงก็คือกิเลสที่ละได้ด้วยการละนะก็คือละสิ่งที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ต้องละอย่าไปเก็บเอาไว้อย่าไปอดทนอยู่กับกามอย่าไปอดทนอยู่กับพยาบาทอย่าไปอดทนอยู่ความเบียดเบียนถ้ามันเกิดมาอันนี้ต้องละอันนี้ต้องละแต่ล้ก็คือไม่ทำพยายามไม่ทำเอามันออกไปเอามันออกไป แ ต, แต่ไอการที่เราอยู่ในภาษาที่ไม่น่าพอใจนะเช่นถูกดา่าตูว่าร้อนบ้างหนาวบ้างเราจำเป็นต้องอยู่อันนี้เราต้องอดทนนะอดทนต่อการอยู่ในสภาพนั้นอดทนไม่ให้อคติศุรธรรมเกิดขึ้นแต่ถ้าอคติศุรธรรมเกิดขึ้นต้องรีบล่ามันออกอันนี้คือข้อที่สีนะ่ข้อที่4ข้อที่5นั้นลักิเลสได้ก็ด้วยการภาวนาคือการพัฒนาอันนี้คือหมายถึงว่าเราจเจริญโพชฌงจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอันนี้คือข้อที่ห ส่วนข้อที่6นั้นก็คือการละกิเลสด้วยการงดเว้นคือการงดเว้นในการที่จะไปที่ที่มันอคโคจรที่มันจะไปแล้วมันไม่ดีเช่นโรงสุราหรือว่าที่ที่มันจแบบบ่อนการพนันโรงสุราพวกนี้เราก็อย่าไปอันนี้ให้งดเว้นค่ะแล้วนี้มันจะมีลักษณะการละกิเลสที่ถ้าผมว่าเราปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องนะสับที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ก็คือให้พิจารณาโดยแยกขายว่ากิเลสอันใด ที่ละได้ด้วยการอดทนคุณก็อดทนให้พิจารณาโดยแยกข่ายว่ากิเลสอันใดที่เราละได้ด้วยการสังวรสัมรวมเราก็สังวรสัมรวมกิเลสอันใดที่เราละได้ด้วยการที่ขจัดมันออกนะเราก็ขจัดมันออกเนะี่ยซึ่ง อ, ธ, อธิบายไวแล้วนะว่าอะไรที่สมรวมอะไรควรเสพอะไรควรขจัดออกอะไรควรงดเว้นอะไรควรเจริญให้มากอะไรที่ควรจะอดทนเนะ่ยต้องทําให้ถูกในหน้าที่หกอย่างนี้นะเรากนะ็จะแก้ไขปัญหาที่สองได้อืปัญหาที่หนึ่ง แก้ไขด้วยการที่เราอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายในความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทางการตั้งสติเอาไว้ปัญหาข้อที่2ถ้าเราคิดว่าเราอดทนผิดประเภทเราเป็นการเก็บกดเราก็เลือกใช้เทคนิคให้มันถูกวิธีต้องมีการพิจารณาโดยแย บ, บขายและถ้าเป็นปัญหาที่สามปัญหาที่3มจริงๆไม่ได้ว่าเรียกปัญหาหรอกเป็นสมมุติฐานข้อที่3ตรงนี้นะเพราะว่าเรามีสติมากขึ้นนะเราจึงฉลาดในวราระจิตของตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเราโกรธแล้ว ก า, ารที่เรารู้ว่าเราโกรธแล้วอันนี้มันดีมากขึ้นโดยจามดมาวะเนะจ้าค่ะคล้ายๆว่ารู้ตัวนะเจ้าค่ะใช่รู้ตัวมากขึ้น <portrayed. S 2> แต่เ่อเรารู้ตัวมากขึ้นแล้วเราลอง <Okay. S 2> สํารวจตัวเองดูว่ามันเป็นกรณีที่สามนี้หรือไม่เจ <Okay. S 2> ้าค่ะอประเด็นต่อไปที่ของกรณีที่สามที่ทําให้เพิ่มเติมขึ้นได้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราอย่างละไม่ได้แะเราก็จะต้องละให้ได้นะเราต้องละให้ได้อาการที่เราจะละไอ้ความโกรธนั้นให้ได้นะเราก็จะต้องตั้งสติเไว้เหมือนกัน นวะตั้งสติเอาไว้นวะการที่เราตั้งสติเอาไว้ให้เห็นถึงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่เที่ยงแยกแยะผัสสะนั้นนะีโดยการแยกเป็นส่วนๆก็ได้เช่นสมมุติเสียงด่าเนี่ยเราก็แยกมันว่าเอ๊ะมันเป็นคลื่นหนาะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้ภาษานี่เราก็ฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยหรือถ้าพิจรารณาลักษณะเป็นภาพรวมทั้งหมดก็ได้นั่นะนี่คือลักษณะการที่จะละกิเลสด้วยการสํารวมนั่นะคือการป้องกันอินทรีย์ของเราหรือว่าเราจเจริญสมาธินะ่ยเจริญ ภาวนาให้มากๆอันนี้มันก็จะทําให้ตาหูของเราได้รับการรักษาและการป้องกันได้ <Okay. S 1> สําหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยกูเดือดใจแล้วเราเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในแต่มาว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นเฉยเฉยช่วงโปรโมชั่นเฉยเว่าเราเห็นความสุขที่เกิดขึ้นระดับนี้เห็นความสุขใน ใ, นใจเนี่ย <Okay. S 1> โปรโมชั่นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดนะแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดเพราะว่าความสุขความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีวันเสื่อม ความสุขความสงบที่เกิดขึ้นมันเป็นของที่เป็นเหตุปัจจัยดีไหมดีนะควรยึดถือไหมไม่ควร hmm. นะไม่ควรแต่ทํามากๆดีไหมดีถ้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ควรยึดถือนะต้องเข้าใจตรงนี้แ <Okay. S 2> นะพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้ความที่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นอีกมันก็จะละเอียดลงไงสิ่งที่เราเคยพูดถึงว่ามันละเอียดลงการละเอียดลงตรงนี้นะไอ้ความสุขสงบที่เกิดขึ้นก็จะค่อยเบาบางลง แต่วันนแน่นอนบางทีเรารู้สึกโกรธมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะการที่เรามีสติมากขึ้นอันนี้เป็นไปได้พอเราฝึกดีแล้วในะอาการโกรธนั้นก็จะเบาบางลงไปพร้อมกับความเบาบางของอาการโกรธที่เราละไปได้ความเบาบางของความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก็จะน้อยลงด้วยอืมก็ค่ะนะทาไมถึงน้อยลงเพราะว่าเรามีสติมากขึ้นเราก็จะไม่ไปยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นมันก็จะจืดจางลงนะซึ่งซึ่งมันก็สองทางอี่ยคุณเตยใจนะว่าเวทําไมความสุขที่เกิดขึ้นมันเหมือนจืดจางลง เราก็อาจจะเป็นเพราะว่าจิตคุณละเอียดลงอันนี้คือทางดีนะเพราะจิตคุณละเอียดลงคุณยินดีพอใจในความสุขที่ระดับนี้น้อยลงมันก็จืดจางลงจืดจางลงจืดจางลงแสดงว่าเราก็ละได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือทางที่หนึ่งหรือที่มันจืดจางลงเพราะว่าคุณจิตใจคุณหยาบขึ้นแต่พะจิตใจคุณหยาบขึ้นคุณก็ไปรับรู้ไอ้สิ่งที่ละเอียดลเอียด่างนี้ไม่ได้อย่เช่นเราถ้าสมมติเราไปผิดศีลเราไปด่าว่าเราทําไม่ถูกจิตใจเราหยาบขึ้นในความสุขนี้ก็จะลดลงก็ได้้ทังง2า ทางาดีก็ได้าทางไม่ดีก็ได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทะนี้โยมขออนุ ญ, ญาตกลับน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลอี่ปุโนโเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าหลายคนเนี่ยโยมเคยได้ยินมานะเจ้าค่ะว่าพอไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังมีผัสสะที่ว่าร้อนแรงคือก็ยัง ว่าคนนู้นโมโหคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเจ้าค่ะแทนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะจิตจะสงบเย็นลงหรือว่าบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะแต่อีกคนนึงก็คือทําบุญมากเลยเจ้าค่ะบริจาคเงินเยอะทําบุญเยอะอะไรเงี้ยแต่จิตใจก็ก็ยังไม่เหมือนกับก็ยังว่าคนนู้ น, นว่าคนนี้อะไรไม่เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นจากสภาวะจิตแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ ah, ่ะเจ้าคะ ก็ด้วยข้อที่1หรือไม่ก็ข้อที่2องข้อที่1หรือไม่ก็ข้อที่สองคือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่โกรธอยู่แล้วหรือว่ามันก็ระดับของเขาก็เป็นอย่างนี้นะนั่นจะเป็นลักษณะของข้อที่3ข้อที่3ก็คือว่าคุณรู้ตัวเองมากขึ้นว่าคุณโกรธมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูจากคนภายนอกด้วยว่าคนภายนอกเนี่ยเขาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นอย่างไรอย่างกรณีของสมมุติฐานข้อที่3ที่อาดมาพูดถึงเนี่ยว่าโกรธอยู่10ครั้งแต่รู้ตัวแค่2ครั้งนั่นคือก่อนที่จะฝึกปฏิิบัต แต่ <Okay. S 1> พอฝึกปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยไอ้ที่โกรธสิครั้งเนี่ยรู้ตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น8ครั้งเลยคิดว่าตัวเองโกรธมากขึ้นแต่จํานวนโกรธ10ครั้งนี้คือเท่าเดิม <Okay. S 1> แต่ถ้าการณีของคุณเตนใจที่ถามเนี่ยตอนแรกจํานวนโกรธทั้งหมดอาจจะมีแค่ห้าครั้งนะตอนสุดท้ายจากคือทำไมห้าครั้งเพิ่มเป็นสิครั้งอย่างนี้อนะไอ้สตินี่ไม่ต้องพูดถึงยังไม่รู้เรายังไม่ได้วิเคราะห์ประเด็นนั้นนะแสดงว่า mm hmm. การณีของเขาเนี่ยเขาก็ต้องอาไปยึดถือในความสุขที่ได้จากสมาธินะพอไม่ได้ มันก็เลยจีดนะสแสดงออกมาทางกายสแสดงออกมาทางวาจานะหรือในข้อที่2อนงะตอนที่ไปปฏิวัติทรมนั้นก็ต้องมีการเก็บกดอาจจะเจอสิ่งที่แม่พน่าพอใจที่วัดคนนี้ทําไมทําอย่างนี้อาหารมาเป็นอย่างงี้อากาศเป็นอย่างนี้เก็บกดเก็บกดเก็บกดนะพอออกมาจากวัดก่อนระเบิดตุ้มอันนี้ก็เป็น <c oughs> กรณีที่2ก็ได้ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องของการทําบุญด้วยการให้ทานเนี่ยมันก็จะมีผลนะที่ถ้าบอกเขาทําเพื่ออะไรล่ะ นะซึ่งเหตุผลของการทำทานนั้นมันก็มีอยู่หลายประเด็น <Okay. S 1> นะซึ่งจะทำทานให้ได้ถึงประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือการให้สลละออกเพื่อที่จะระความตระนนีแต่คือบางคนสละออกเนี่ยเพื่อต้องการชื่อเสียงบางคนสลละออกนี่ต้องการได้หน้าได้ตามันก็จะแทนที่มันจะลักกิเลสได้มันกลับเป็นพอกพูนกิเลสนะเพราะในะสถานการณ์อย่างเงี้ยบางทีเราวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดแลนะ้เราก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดด้วยว่า สถานการณ์เป็นยังไงเขามาเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราเจอคนที่เป็นแบบนี้แต่เขาโกรธมาตุ่มตามทั้งทั้งที่เขาเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่เราควรจะทำธรรมเครื่องขูดกล่าวในตัวเราแต่ว่าถ้าคนเขาด่าว่าเราจะไม่ด่าว่าคนก็โกรธมาโรมกโรธเราจะไม่เป็นผู้มาโกรธหรือถ้าตัวเราเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเองแต่เราควรจะทำความละเอียดในในจิตใจของเราให้มากขึ้นันนจะทำให้มันละเอียดได้ก็ต้องทำบ่อยๆแต่ทำอะไรบ่อยๆ คือปฏิบัติตามมรรคแบ่อยๆนะฝึกให้มันมากขึ้นตั้งสตนะิเอาไว้แเราสามารถที่จะฉลาดในวราระจิตของตัวเองมากขึ้นรู้จิตของตัวเราเองว่าดีไม่ดีอย่างไรสิ่งที่ดีทําให้มันมากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละออกเสียการกระทํา <Okay. S 1> อย่างเงี้ยจะทําให้มีความก้าวหน้าในการ mm hmm. ปฏิบัติได้แล้วการปฏิบัติมาต้องยืนยันกับเดนใจว่าเป็นสิ่งที่ดีนายา <Okay. S 1> ให้เพียงแค่ผิวเผินแล้วดูว่าเฮ้ยสงสัยเราไปไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ mm hmm. นี้เป็น <Okay. S 1> เสียงของกิเลส อันนี้เป็นเสียงของกิเลสที่มันปลอนตัวมานนิเนี ย, เ, นยเหมือนเหมือนว่าเฮ้ยคุณทําไม่ได้หรอก แ, แต่จริงๆแล้วมันมีความก้าวหน้าไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง <Okay. S 1> นะเราพิจารณาดูดเองความก้าวหน้าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงความละเอียดมันอยู่ตรงนั้นเราตรงนั้นเป็นฐานเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อยิ่งๆขึ้นไปได้นะ เจ้าค่ะจ่าทูเจ้าค่ะอันนี้คุณนัทพิษได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุตรพิปโนสาักจกันมาในรายการธรรมรับปรุชาวันนี้คงจะพิจารณาวาระ จ, จิตของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็หวังใจว่าในคราวหน้าที่คุณนัทพิษกลับนำสการเรียนถามคําถามมานั้นเนี่ยจะได้รับฟังข่าวดีนะเจ้าค่ะว่าคุณนัทพิษมีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นแล้วอย่างที่ได้รับการฝึกอบรมไปจากทางวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะมีความสุข สุขใจตลอดเวลาเลย ทางบ้านคุณแม่แล้วก็น้องๆก็จะได้มีความสุขได้รับบุญกุศลก็คือสิ่งที่คุณนัทพิษให้ความสุขแก่คนในครอบครัวคุณแม่แล้วก็น้องๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอประคุณและกราบน้มสักการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลุณอภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพียงแค่นี้นะค ะ, ะรวมทั้งประเดชประคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภโซหรือท่าน ครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะซึ่งท่านก็เมตตาที่จ ะ, อะมอบหมายให้พระอาจารย์ประมาหาไปบุญอภิปุโนนั้นมาเป็นองค์ปาถกประจำรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งรายการธรรมรัตนแล้วก็รายการทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาพ ภาษาต่างประเทศคลื่น fm 8 8ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านเมตตายอย่างยิ่งทีเดียวนะคะพบกันใหม่ในสาวอาทิตย์หน้าสําหรับช่วงของการสากชาค่ะแต่สําหรับในรายการธรรมรับประดุลเช้าพรุ่งนี้พบกับพระอาจารย์พระมหาไพาบูลอภิปุโนเหมือนกันเหมือนเช่นเคยในเรื่องหัวข้อปริยัติ ท, ที่ไม่เป็นงูพิษนะคะกราบขอพระคุณและกราบน้มัสการาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญผ่สาธุเจ้าค่ะ